และเสนาบดีทั้งสี่นี้เป็นนักบริหารชั้นสูงปฏิบัติราชการต่างพระเนตรพระกันขององค์อวิชาที่ราชทุกประการเป็นที่ไว้วางใจใกล้ชิดพระองค์แล้วรองจากบุคคลชั้นนาทั้งเจ็ดนี่มีอีกไหมยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆอีกใครบ้างล่ะมีนายทหารชั้นหัวหน้าสามคนคอยรับคําสั่งจากเสนาบดีหรือขรารมหาเสนาบดีไปปฏิบัติ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 มีหน้าที่ทําอะไรนายทหารชื่อโทสักมีหน้าที่ทําตามคําสั่งขาองอ克拉มหาเสนาบดีภวะตันหาและวิภวะตันหาอีกทีหนึ่งคือเมื่อวิภวะตันหาต้องการจะกําจัดทําลายสิ่งใดก็สั่งให้โทสักไปสํารวจดูสิ่งนั้นเมื่อเห็นว่าต้องทําลายแน่โทสักก็สั่งให้พยาบาทวางแผนและสั่งพลทหารกายทวาวรและวจีทวาวร ลงมือไปทำลายต่อไปทีนี้ก็มาถึงนายทหารที่มีชื่อโมหะโมหะมีหน้าที่รับคำสั่งจากพระรานพุทเจริญโมหะนี้มีหน้าที่รับคำสั่งจากองค์อวิชชาที่ราชโดยตรงหรือจากอัครมหาเสนาบดีหรือเสนาบดีคนใดคนหนึ่งนำไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาคือการโฆษณาชวนเชื่อให้คนเกิดความสงสัยลังเลในเรื่องต่างๆ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 ของตนก็เพราะว่าการหลอกลวงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ขององค์อวิชาธิราชเพราะเมื่อคนเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จะเห็นความสาคัญของพระองค์เคารพและต่อสู้เพื่อความคงอยู่ของพระองค์ทง้ทงทที่ความจริงแล้วองค์อวิชาทิราชเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดไม่เหมาะสมกับตาแหน่งอันสูงส่งนั้นเลย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 ทรงลุกขึ้นต่อสู้กับกองทัพอันเกรียงไกรของอาวิชาจนสามารถโค่นทรราชนั้นลงจากบันหลังได้และประกาศพระองค์เองเป็นอิสระจากกิเลสและทุกข์ทั้งมวลในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกเราจะต้องเจริญรอยตามพระองค์การที่เราได้เสียสละคารวาดปิสัยออกสู่พรหมจันท์นี้ก็แสดงว่า เราได้ประกาศตนเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อต่อสู้กับกองทัพข้าศึกคือกิเลตข้าพเจ้าจะแนะวิธีต่อสู้กองทัพกิเลศอันแข็งแกร่งนี้เป็นขั้นๆไปเชิญผู้เจ้าเลวแหน่งนายทัพผู้สลาดเมื่อจะเข้าโจมตีอาริราศัตรูเขาจะต้องโจมตีไปทีละขั้นตั้งแต่ตามนิคมชนบทชายอาณาเขต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 และมิจฉาทิฐิทหารทั้งหกคนนี้มีความเก่งกล้าสามารถแข็งแรงว่องไวฉเฉลียวฉลาดยากแก่การกําจัดอย่างยิ่งโอ้แล้วจะทํำยังไงล่ะท่านผู้เจริญเราจะใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องใช้อาวุธหลายอย่างพร้อมกันอาวุธที่จะปราบกิเลสทั้งหกมีอะไรบ้างล่ะท่านผู้เจริญต้องทําความดีทุกๆุอย่างเท่าที่จะทําได้การทําความดี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 ไม่เปิดโอกาสให้ทหารกิเลสทั้งหกกระทำได้ตามใจชอบเมื่อสำรวมอินสี่แล้วก็ต้องมีโพชเนมัดตันยุตาอะไรล่ะท่านผูเ้เจริญรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอีกทั้งต้องมีชาคริยานุโยกอะไรล่ะท่านผู้มีความรู้ทำตัวเป็นผู้ตื่นอย่ามวัวเพลิดเพลินในการหลับนอนพูดง่ายๆว่า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 เป็นอันดับทุกชั้นกลางได้ต่อจากนี้ก็ถึงกิเลสขั้นสำคัญแล้วสินะท่านผู้เจเริญถูกแล้วท่านผู้มีอายุกิเลส ข, ขั้นสำคัญเจ็ดตัวคืออครามาหาเสนาบดีทั้งสาและเสนาบดีทั้งสี่ กิเลชั้นหัวหน้าทั้งเจ็ดนี้อาจกาจัดได้โดยการบาเพ็ญสมาธิทำจิตให้ตั้งมัน่นทำสติสัชัญญะให้มีกำลังสูงมีความเพียรเด็ดเดี่ยวจเจริญวิปัสสนาจนได้ญาณพิเศษรู้แจ้งเห็นจริงในหลักอนิจจงทุกขังอนัตตาเมื่อเกิดความรู้ขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์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 ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีสารภาพทั้งทางกายและทางใจพอสมควรแต่ก็เชื่อว่ายังไม่มีสารภาพที่สมบูรณ์ดีนะักข้าพเจ้าน่ะเหรอมีอิสรภาพยังไม่สมบูรณ์ถูกแล้วท่านอนาคาริอกะเฉพาะอย่างยิ่งท่านยังขาดอิสรภาพทางใจอย่างมากทีเดียวข้าพเจ้าขาดอิสรภาพทางใจยังไงอ่ะท่านผู้มีอายุท่านบอกว่าท่านไม่มีข้อวัดปฏิบัติ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 เขานั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานทีเดียวคงกำลังคิดอย่างหนักมือทั้งสองถูกันไปมาอย่างกระวนกระวายใจมเมล็ดเหงือปรากฏขึ้นทางหน้าผากหน้าเดี้ยวคิ้วขมวด จ, จริงของท่านท่านผู้มีอายุเก่งของท่านทีเดียวเข้าไปเจ้าลืมคิดถึงข้อนี้ไปลืมสนิททีเดียวแล้วคงจะหลงเข้าใจผิดไปอีกนาน ถ้าไม่ได้มาพบและสนทนากับท่านนับว่าท่านเป็นผู้นำแสงสว่างมาสู่จิตใจอันมืดมัว ข, ข้อเขวเจ้าโดยแท้ยังจะมีลัทธิใดอีกบ้างไหมที่จะให้อิสราภาพอย่างสมบูรณ์แท้แก่คนในชมพูทวีมีสิท่านอนาคาริกะลัทธิอะไรท่านผู้เจริญลัทธิพรหมจรรย์ของพระโคโดมพุทธ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 ท่านเห็นว่าอะไรคำสั่งสอนนั้นตำกว่าลทัทธิอันสูงส่งของขบเจ้าเพราะอะไรพระสมรรคโธดมยังสอนสาวกให้ติดอยู่ในพระตนาฏัยให้ยึดมั่นในศิกขาบทวินยัยและระเบียบ ป, ปฏิบัติอัญยุมยิ้มต่างๆของภิกษุขบเจ้าไม่เห็นว่าลทัทธิของพระองค์จะแตกต่างอะไรกับลัทธิของศาสด า, า, า, าทั้งหกก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ศึกษา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 อาศัยพระธรรมเป็นแผนที่และอาศัยพระสงฆ์เป็นลูกเรือแต่มาถึงฝั่งข้างโนนคือนิพพานแล้วพระอริยาสาวกย่อมทิ้งเรือและอุปกรณ์ต่างๆไว้เบื้องหลังเปิดประตูเข้าสู่อิสรภาพและสันติสุขชั่วนิรันดร์แต่ตัวเปล่าฉันนั้นแต่ข้าพเจ้าเห็นพระอริยาสาวกผู้บรรลุพระอรหันต์ผลแล้วยังยึดมั่นในภา ร, รัตนาตรัย ปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในศีลจารวัตทุกประการนี่ท่าน